ในช่วงการคุยธรรมะที่เราจะมาพบกันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตัวมีข้าพเจ้าพระไพบูลย์ ทางหรือว่าทางอีเมลทางโทรศัพท์หรือว่าทางอีเมลทางข้อความในสะดวกทางเว็บไซต์เข้าไปนะ 106 ฉะนั้นก็ เสสาสที่ได้ฝากคําถาม 106 เกี่ยวกับเรื่องของบทที่ชื่ออาราอกาละวัฏฏสูตรที่ข้าพเจ้าก็ได้อธิบายถึงเรื่องของๆวันๆด้วยใน นะเป็นพุทธพจนะที่พระเจ้าตรัสสอนเป็นเหตุเป็นผลแน่นอนแล้วแต่ต้องมีการตรวจสอบตรงนี้อ่าเมื่อมากโดยอาการ การที่เรามาสาธยายทําความเข้าใจเนี่ยก็เพื่อที่จะให้ทรง 1 ที่ได้พูดถึงก็คือว่าการที่เอ่อเรามาเข้าใกล้สู่ อ่าในช่วงอายุไขของเราการของจิตที่ว่าในช่วงอายุไขของเราเนี่ยไม่ 2 เรื่องหรือ 3 เรื่องที่เราจําได้ระลึกได้ซึ่งไอ้นั้นน่ะมันเป็น มีทุกข์วิปติสารแต่ตรงนี้ก็จะแปลงออกมาเป็นคําพูดคําอะไรต่างๆที่มันจะกังวลใจนะ ปราติใกล้จะตกดินเนี่ยเงาของภูเขาเนี่ยมันก็จะทอด ก็มีกับพรามไว้ 2 องค์นะพราม 2 คนนี้เค้าอยู่ในวรรณพรามเนี่ยนะ เอ่อเปลวเหมือนไฟอ่ะบ้านเนี่ยนะบ้านหลังนึงนะออกนะเฟอร์นิเจอร์ขนออกเอกสารสําคัญเอาอะไรต่างๆที่คิดว่าเป็นเรื่องสําคัญ เรายังมันจะปลอดภัยอยู่แล้วเปรียบเหมือนกับบ้านนะกําลังไฟไหม้อยู่บ้านคือกายของเราอยู่เมื่อไหร่มันไหม้หมดอะไรที่เราออกออกจากบ้านได้นั่นจะเป็นของเราอะไร มันคุณทําไปไม่ได้นะลูกหลานก็ออกไปสะเปะเรอออกไปนะสิ่งที่จะ เงินเงินตอนที่เก็บสะสมไว้ก็ไม่ได้มีอะไรมากน่าจะมีโอกาส อย, อย, อยอยอย 4 อย่าง นั่นคือศรัทธาคือศีลคือจาคะคือปัญญาและศรัทธาศีล ก็จะสวดก็ได้ไม่สวดก็ได้เดี๋ยวจะจําพระวจน์พจน์สักหลายๆบทหน่อยก็ดี เอ่อกรรมๆอันนี้จะเป็นเครื่องป้อง 2 คือ 5 เนี่ย 5 ถ้าคุณอย 5 อย่างหรืออย 8 และศีล 8 นี่ 5 ศีล 8 เนี่ยก็ทําให้เป็นปกติก็จะมีพลังมากกว่าคนที่ทําศีล 8 เป็นครั้งคลางๆๆด้วยนะเป 5 ศีล 8 อันนี้ก็ นะสิบาท 100 บาทก็ทําให้เป็นนิสัยอยู่เป็นประจําแต่เพราะความตระหนี่เนี่ยมันบาทนึงมัน นั่นก็บาท 1>, 1 2 บาท 10 บาท 20 บาทมันไม่ใช่เงินมันไม่ใช่เงินมัน 2 บาทหรือแม้แต่เศษอาหารที่ นะความตระหนี่คือคนมีเงินมากเนี่ยบางทีก็ยิ่งตระหนี่ก็มีแต่ระดับของความตระหนี่นะมาก นะปัญญาที่พระเจ้าตรัสเนี่ยคือปัญญาในการที่จะเห็นเอ่อการเกิดแต่ 4 อย่างเนี้ยเอ่อศรัทธา แต่เรามีพ่อแม่อยู่ในเอ่อช่วงบั้นปลายของชีวิตถ้าอย่างยังเป็นคนขี้ ดูดูแล้วปู่ย่าตายายของเราเนี่ยผู้อยู่ในเอ่อบ้านปลาย 4 อย่างนี้หรือทั้งหมดก็ได้นี้หรือทั้ง นะคุณธรรมนี้ก็จึงทําให้เกิดมีมีศรัทธามีศีลมี ที่คุณจะทํางานทําความนึกถึงบทสวดมนต์นั้นเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่ง แล้วเอาประวิปัชชีบเป็นยังไงให้มันเป็นปกติธรรมชาติธรรมดานั่นนั่นคือศีลมีๆอีกดิปินั่นรู้ไหมคืออะไรๆอะไรไม่ใช่นั่น ถ้าฟังมีคําถาม 106 ก็สามารถที่